นี่เขาเรียกบูรุษสองหน้าเป็นอย่างเนี้ยอีกหน้านึงก็คือรับผลกรรมร้องโอดโอยนี่เนะียบางทีนะแต่อีกหน้านึงก็คือเนี่ยเขาก็รับอย่างเนี้ยเขาก็ในรักนไปร่วมสนับสนุนท ำ, ท, ำทำเลยทำเลยเขายุส่งเลยนะให้มีกรรมมีความเข้มข้นถ้าจะกดธเขาต้องโทมนานะช่วยด้วยอย่างนี่นะเป็นโทมนานะเสวนาช่วยด้วยเมื่อสังขารละขันคือโทษาทํากิจเขาก็ทมนานะช่วยเลยเนี่นะถ้าโลภะทําเขาโสมมานะช่วยเลยเนี่ยนะ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 พอเป็นไปด้วยความรุ่มหลงนะอันนั้นคือตัวตันหาแหละโสมาณเวทนาเกิดร่วมกับตันหาก็จะเป็นตัวสร้างเหตุปัจจัยความทุกข์ต่อไปนี่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้แล้วก็รอบรู้เห็นว่าเวทนาเป็นทุกขสัตย์ที่เวทนาที่เป็นทุกขสัตว์นั้นนะนะทุกขสัตย์เหล่าเนี้ยเป็นทั้งปัจจาลักษณ <c> ะ <oughs> นะในปันจจาลักษณะนั้นน่ะถ้าทํายาตรปริญญาในทุกเนี้ยเราจะเห็นปันจจัยของเวทนาเมื่อกี้เชื่อมโยงปัจจัยเห็นแล้วคือตัวตันหายัางไงคือตัวกรรมยังงงงไไคืออตววิชา ย, ยานะ